พวกเราคงทราบนะว่าต่างประเทศตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะทางประเทศฝรั่งยุโรปอเมริกานะเขสนใจเรื่องการเจริญสติมากเวลามีการจัดอบรมเจริญสติที่ไหนนะก็มีคนนะไปเข้าอบรมที่เมืองนอกนี่จัดที่ไหนก็เสียเงินทั้งนั้นนะไม่มีจัดฟรีเหมือนบ้านเรา เพราะบ้านเรานี้ส่วนใหญ่ก็มีการอบรมที่วัดนะวัดนี้ก็มีคนบริจาคแต่เมืองนอกนี่วัดที่จะสอนเรื่องการเจริญสติมีน้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกกลุ่มนะกลุ่มเอกชนหรือว่ามูลนิธิเขาจัดนะ พวกนี้เขาก็ไม่มีเงินทุนสนับสนุนนะก็ต้องเรียกเก็บคนะ่าสมัครจากคนที่มาอบรมก็แพงนะแต่ว่าก็มีคนอบรมตอนล้ำก็ลามเข้าไปถึงในสำนักงานองค์กรธุรกิจใหญ่ๆโดยพาะที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยโดยเพาะไอห้หน่วยงานที่ทำเกี่ยวเรื่องคอมพิวเตอร์ เป็นพวก Apple ก็ดีพวก Google ก็ดีนะพวกนี้เขาก็มีการจัดสถานที่แล้วก็โอกาสนะให้พนักงานได้มาเจริญสติอาจจะทาในระหว่างวันหรือว่ามีการเข้าคอร์สนะพิเศษอันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะเผยแพร่แล้วเขาก็ได้รับความนิยม เพราะว่าคนที่ทำงานใช้ความคิดเนี่ยมันเครียดแล้วพอมาเจริญสติแล้วก็ความคิดก็หัวก็ปลอดปโปร่งนะความคิดก็แจ่มใสนะสามารถจะคิดอะไรได้ทะลุปลุกโปร่ปรงตอนหลังก็มันก็เข้าไปสู่หมหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยก็มีการจัดคอร์สเจริญสติ ตอนหลังก็เข้าไปในโรงเรียนนะโรงเรียนระดับมัธยมระดับประถมล่าสุดนะก็ตอนนี้เขากำลังเอาการเจริญสติเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนอนุบาล น, นะอันนี้มีการริเริ่มขึ้นที่ประเทศอเมริกาแต่ตั้งข้อสังเกตอีกนึงนะคือเมือง น, นอกเนี่ยเขาจะใช้คำว่าเจริญสตินะ mindfulness เมืองไทยเนี่ยเวลาฝึกจิตเนี่ยเราจะใช้คําว่านั่งสมาธินะมาทําสมาธิอ่าส่วนเรื่องการเจริญสตินี่เป็นคำที่ในเมืองไทยไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่ยังไม่ค่อยติดตลาดเวลาเห็นใครมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าออมาทําสมาธิเหรอเราไม่ค่อยใช้คําว่าเจริญสติแต่เมืองนอกนี่เขาใช้ว่าเจริญสติเลยนะตรงๆเลยนะ mindfulness แปลว่าสตนะิอันนี้ก็น่าสนใจนะน่าสังเกตนะแล้วก็ไอ้คำว่าจริญสตินี่มันก็มีแต่พุทธศาสนาที่สอนนะส่วนการทำสมาธินี่ก็มีหลายศาสนาเขาสอนกันฮินดูก็มีนะพวกศาสนาคริสต์ระวังนิกายเขาก็ใช้คำว่าสมาธิแต่เรื่องจริญสติหรือ mindfulness เนี่ยนะ มันก็มีแต่พุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนแต่ในประเทศเราประเทศเมืองพุทนนี่คำว่าเจริญสติไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่ากับคำว่าทำสมาธินะเวลาคนไทยมาเจริญสติก็สงสัยหมาต้องเจริญสติด้วยนะเพราะว่าสติก็มีอยู่แล้วนะแต่เมืองนอกนีสติเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องสําคัญเพราะเขารู้ว่ามันจะช่วยคลายเครียดได้ และตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะการเจริญสตินี่ก็ถูกนำเข้าไปในโรงเรียนแล้วเขาก็เห็นผลนะว่านักเรียนเนี่ยถ้าเจริญสติแล้วเนี่ยการเรียนดีขึ้นนะแล้วก็เด็กทะเลาะเบาแวงกันน้อยลงนะเพราะว่าเด็กเนี่ยทะเลาะกันพเพราะมีความเครียดพอเครียดแล้วก็ต่อยตีกันพอเจริญสติแล้วความเครียดน้อยลงสมาธิดีขึ้นการเรียนก็ดีขึ้น เด็กมีความสุขเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นมากขึ้นอันนี้เขาพบในโรงเรียนระดับประถมนะเขาวัดเป็นเปอร์เซ็นเลยนะว่าพอเจริญสติแล้วเนี่ยการเรียนคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ก็ดีนะวิชาเกี่ยวิวทยาศาสตร์ก็ดีมันเพิ่มขึ้นนะสิบกว่าเปอร์เซ็นะแต่ที่น่าสนใจคือเอาการเจริญสติเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลเนี่ยนี่เป็นของใหม่ เมืองไทยเรายังไม่ค่อยได้ทำขนาดนี้เลยนะเอาเจริญสติเข้าไปใช้กับเด็กอนุบาลเด็กอนุบาลคือปอเด็กอนุบาลคือเด็กอายุ4ี่ขวบนะเขาก็ใช้วิธีการเจริญสติง่ายๆนะเช่นเล่นฝึกให้เด็กเล่นโยคะนะระหว่างที่เด็กออกกําลังกายบริหารกายก็ให้มีสติอยู่กับอยู่กับกายก็คืออยู่กับปัจจุบันนะให้เด็กเนี่ยมีสติรู้กายนะ เวลายกขาเหยียดขาเวลาก้มตัวก็ให้มีสติอยู่กับตัวอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็เวลาให้ชิมชิมผลไม้ก็ให้มีสมาธิอยู่กับรสชาตินะกินพวกช็อกโกแลตนะหรือว่าไอติมหรือว่าลูกอมเนี่ยก็ให้มีจิต ให้จิตเนี่ยอยู่กับรสชาตินะที่มันกําลังเกิดขึ้นที่ลิ้นคือไม่ต้องคิดโน่นคิดนี่นะใจมันคิดไปไหนก็ให้กลับมาอยู่ที่การรับรู้รสชาตินะรสหวานรสเค็มนะรสเปรี้ยวนี่ก็เป็นการเจริญสติแบบง่ายๆนะซึ่งหลายคนอาจจะนึกอาจจะไม่นึกว่าเอ้ยนี่คือการเจริญสติเหรอนะแต่มันใช่นะเพราะว่า การเจริญสติอันนี้คือให้มีนะให้มีใจรับรู้เวทนาที่เกิดขึ้นรับรู้รสชาติที่เกิดขึ้นขณะที่กําลังกินอะไรเข้าไปหรือกําลังเคี้ยวอะไรในปากใจไม่ต้องลอยไปโน่นลอยไปนี่แล้วก็ให้มีสติอยู่กับการรับรู้อารมณ์นะคือเวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่านี่กาลังดีใจเสียใจให้สังเกตอารมณ์ของตัวเด็กทําได้นะเด็กเล็กๆนี่ทําได้ แล้วก็ปอกว่าเขาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะให้เด็กทำเนี่ยสองอาทิตย์บอกว่าเด็กมีสมาธิมากขึ้นนะมีความรู้ตัวมากขึ้นแล้วก็ชื่นชมอะไรหรือมองบวกง่ายขึ้นครูก็แปลกใจว่าโอ้ทาแค่สองอาทิตย์นะอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสองครั้งนะอาทิตย์หนึ่งประมาณสองครั้งนะก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็ก แต่ว่าโครงการที่ว่าเอาเด็กเนี่ยมาฝึกสตินี่บางแห่งก็ทำยาวนะทำประมาณ12อาทิตย์12บออาทิตย์ก็ประมาณสมเดือนก็คือหนึ่งพรนานี่แหละก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะเด็กคะแนนทำคะแนนได้ดีขึ้ น, นอารมณ์เย็นนะ แล้วก็มีความเมตตากรุณามากขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับครูแล้วก็ผู้ปกครองในประเทศอย่างอเมริกาเพราะว่าตอนนี้เด็กเนี่ยมีความวิตกกังวลสูงนะเ <c oughs> ด็กนี่อันนี้รวมถึงเยาวชนนะั่นนะมีความวิตกกังวลสูงนะยี่สอร์ซนมีความวิตกกังวลและความวิตกกังวลเนี่ยมันก็เป็นตัวชี้วัดอันนึงว่า จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่านะคนในคนอเมริกาเนี่โรคซึมเศร้าเยอะมากพอเป็นโรคซึมเศร้าหนัหนกๆเขาฆ่าตัวตายเด็กก็ฆ่าตัวตายนะเพราะซึมเศร้าแล้วเด็กสมาธิสั้นอย่างนี้ก็เยอะขึ้นนะั้นเพราะว่าเนี่ยตอนนี้มีมากกว่าส0เล้เด็กสมาธิสั้นพวกเรา เ, เด็กๆในชนบทยังไม่ค่อยมีปัญหานี้นะความกังวล ระวนกระวายหรือว่าสมาธิสั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เด็กในกรุงเทพเนี่ยในเมืองใหญ่ๆเป็นกันเยอะนะสมาธิสั้นนะอันนี้ก็เพราะการเลี้ยงดูเพราะมันมีสิ่งเร่าเยอะนะโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์เกมออนไลน์พวกนี้มันทําให้มีผลทําให้เด็กสมาธิสั้นแต่พอเอาการเจรดสติไปใช้เข้าไปในโรงเรียนเนี่ยอนุบาล น, นี่เห็นความเปลี่ยนแปลง อันนี้เขามีโครงการนะว่าถ้ามันได้ผลนะเขามีโครงการทดลองเจปีถ้าได้ผลนะจะจะเป็นการศึกษาภาคบังคับเลยก็คือว่าจะบังคับให้กับให้โรงเรียนของรัฐนะรัฐที่วานี่ยคือรัฐเคนตักกี้มั้งโรงเรียนของรัฐทุกโรงเรียนนะก็จะมีการเจริญสติเป็นวิชาบังคับเลยนะ ให้กับนักเรียนนนี่ก็เป็นเรื่องที่เรีย ก, ยกว่าก้าวหน้าของเมืองไทยนะเมืองไทยนี่ยังไม่มีขนาดนี้นะไม่ถึงกับบังคับว่าต้องมีการเจริญสตินะในโรงเรียนในชั้นเรียนแต่ว่าทางอเมริกนันเขากำลังจะไปถึงขั้นนั้นนะถ้าว่าการโครงการทดลองเข า, เขาจบสิ้นน่ะ เ้าก็ศึกษากันเป็นกิจลักษณะนะใช้เวลาเจ็ดปีนะไม่ใช่แค่ทาแค่ปีเดียวสามเดือนนะติดตามกันเป็นเจดปีเลยแล้วก็มีแนวโ น, น้มว่ามันจะจะได้ผลอย่างที่คาดหวังเอาไว้นะอันนี้ก็นสนใจว่าเขาสามารถจะฝึกครูให้สอนสมาธิได้ด้วยฝึกครูให้สอนการเจริญสติเพราะว่าถึงแม้อ่การเจริญสติดีนะแต่ว่าครู นะไม่สนใจหรือคู่ไม่มีความสามารถนี่มันก็ทํายากนะอันนี้ก็เป็นข่าวใหม่นะที่อาชีพเห็นว่าประเทศอย่างอเมริกาซึ่งเขาเจริญได้วัตถุนิยมเนี่ยจริ ง, รงๆเขาก็ให้ความสําคัญเรื่องจิตใจมากเขาก็ทําจริงจังด้วยตอนนี้เนี่ยเวลาไปเมืองนอกเนี่ยนะพูดเรื่องการเจริญสติหรือแม้แต่คําว่าิปัสสนาเนี่ยเขาก็รู้จักแล้วนะแต่ว่า โรงเรียนที่ว่านี้เขาไม่ใช้คําว่าสมาธิหรือวิปัสสนาเพราะเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องของศาสนาเขาพยายามไม่ให้มีกลิ่นอายของศาสนาเข้ามาก็เลยไม่ใช้คําว่าวิปัสสนาหรือสมาธิแต่ใช้ว่าเจริญสตินะเพะื่อมันมีความเป็นสากลเพราะตอนนี้ในอเมริกาเขาก็มีความระมัดระวังมากว่าโรงเรียนจะสอนศาสนาหรือยัดเยียดศาสนา แต่เขาบอกว่าเนี่ยเจริญสติมันไม่ใช่เรื่องศาสนามันเป็นเรื่องของการฝึกคุณภาพจิตนะแล้วก็ผลมันก็เห็นได้ชัดนะก็คือเด็กสมาธิดีขึ้นไอ้ที่เคยเป็นพวกสมาธิสั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มีความเด็กนักเรียนก็มีความจดจ่อดีขึ้นนะอารมณ์ดีขึ้นเครียดน้อยลงเอื้อเฟื้อกันมากขึ้นแล้วก็มีความตั้งใจในการเรียนการอ่าน อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่นะในเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนี่ต้องฟังเอาไว้นะแล้วก็ควรจะทดลองเอาไปใช้กับเด็กดูแต่ใช้วิธีการบังคับนะถ้าบังคับนี่มันก็เสียหายเหมือนกันโดยเพราะการไปติดที่รูปแบบเนะช่นต้องให้ลังหลับต า, าให้นั่งขัดสมาธิหลายโรงเรียนเนี่ยไป บ, งบังคับได้ให้นั่งสมาธิเด็กเลยเกียดสมาธิเลยเพราะว่า ครูสอนไม่เป็นแล้วก็ครูใช้วิธีการบังคับนะของวันนี้ต้องชี้ต้องค่อยๆน้มน้าวนะแล้วก็ทําให้เป็นเรื่องที่มันทําได้ง่ายนะไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็อย่าไปติดที่รูปแบบอย่าใช้การบังคับนะแล้วเราก็พุทธวันนี้แหละเตรียมรับพร